อีกในหนึ่งเมื่อพวกครือขัดทำการอุปการะเธอด้วยอ ม, มิสทานเป็นเนืองนิดเป็นประจำปัจจัยสี่ของเธอก็ดำรงอยู่ด้วยครือขัดทั้งหลายอยู่แล้วเนี่ยนะครือหัดก็ถือว่าเป็นผู้มีอุปการะต่อเธอมาก ด้วยการบำรุงปัจจัยสี่แก่พวกเธอเพราะฉะนั้นพวกเธอจงตอบแทนเขาด้วยธรรมทานเธอก็ให้ธรรมทานแก่เขาเขาให้วัตถุทานเรามาเราก็ให้ธรรมทานแก่เขาไปการให้ธรรมทานแก่เขาก็คือให้เขาได้มีศรัทธาให้เขาได้มีปัญญา หรืออีกในหนึ่งก็คือให้เขาได้มีศีลให้เขาได้มีสมถะมีวิปัสนาให้เขาได้มีการเจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิธิบาทอินทร์พละพุทธชงองมัตให้เขาเนี่ยได้เจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นมั้นตอบแทนเขาด้วยการแนะนําข้อปฏิบัตินะแนะนําวิธีกําหนดรู้ทุกวิธีลักษมณ์ไทยทำนิโรธให้แจ้งเป็นต้นเนี่ยนะก็คือแนะนำธรรมที่เป็นกุศลอกุศลเป็นต้นนั่นเอง พวกเธอเมื่อจะแสดงธงชัยของพระฤาษีผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ธงชัยก็คือโพธิปัจจียธรรมเนี่ยนะเพราะว่าพระฤาษีคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็มีโพธิปัจจียธรรมเป็นธงชัยเพราะฉะนั้นพวกเธอจงยกย่องพระสัตวธรรมยกย่องสติปัฏฐานเป็นต้นเมื่อการงานที่พึงทำทำสําเร็จแล้วการงานที่เธอทั้งหลายพึงทำการงานที่เธอจะต้องทำมีอะไรบ้าง การงานเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการกําหนดรู้ทุกละสมุทัยหรือกิจแห่งการปฏิบัติเพื่อเห็นอริยสัจเพื่อบรรลุผ้าอรหรันเธอก็ทําเสร็จแล้วหลังจากนี้เธอก็จงบําเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นเธอเนี่ยนะจริงนะผ้าอรหันเหล่านี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนไม่ทำน ะ, ะโดยปกติพื้นฐานแล้วเนี่ยไม่ใช่ท่านตรณีไม่ใช่ท่านตรณีไ ม, รณไม่ใช่ท่านขี้เหนียวไม่ใช่ท่านขี้เกียจอะไรเป็นต้น แต่ความที่ท่านไม่ได้สั่งสมมาเพื่อจะช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาจะสอนธรรมะต้องให้พระพุทธเจ้าสั่งจึงทำเนี่ยนะเคารพพระพุทธเจ้ามากอะไรมากลหลายๆอย่างอะ่ะแต่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่สั่งให้อะไรไปก็ไม่ทำํำนี่เหมือนกันนะพระมหา ก, กปินนะเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันตะ์ท่านก็เงียบนั่งเข้าสมาธิอยู่มีความสุขสุกเนาะสุขเนาะ ข, ของท่านอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ก็บอกว่าสอนพระภิสูจน์หน่อยซีเนี่ยนะแต่ท่านก็เก่งจริงอ่ะสอนครั้งเดียวบรรลุห้ารอยอย่างเงี้ย คือคื อ, คอมีความสามารถถึงขนาดพระพุทธเจ้าใช้ให้สอนนะนะคือเนื่องจากว่าท่านเหล่านี้แต่ละคนนี่เก่งมากเนี่ยน ะ, ะวิชาสามวิโมก8อภินญาหปฏิสามทิทาสีเนี่ยมีอยู่ครบถ้วนเลยนะนั้นคุณธรรมของสาวกทั้งหลายมีอยู่ในท่านเหล่านี้ทั้งหมดนะนะแล ะ, แล ะ, และท่านก็เป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษเป็นต้นและที่สําคัญคือท่านชอบวิเวกแล้วก็ถามว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยถาจริงแนะนำง่ายหรือแนะนํายากไม่เชื่อคราบที่เราคุยกันเออเนี่ยรักษาศีลกันไหมวันนี้เนี่ยนะ เอาไหมอย่างเงี้ยนะโหชวนยากยากเลยนะฟังอริยศาสตร์เนี่ยโอ้ยก็ฟังยากยากแต่ฟังสมุทัยเนี่ยผู้ชอบเนี่ยนะฟังอะไรฟังเพลงไงนะคือท่านเหล่านั้นเนี่ยโดยปกติก็ถือว่าอย่างพระอัญญาโกณทัญยเนี่เคยสอนลูกศิษย์ยครั้งหนึ่งลูกศิษย์ของท่านก็เกินไปมั้งนะสอนยากเพราะท่านบอกว่าอย่าไปครบนะคนเนี่ยครบแล้วเธอไม่จเจริญหรอกไม่เชื่อฮะคือคือถ้าครบพระอัญญาโกณทัญยาใช่ไหมเรื่องปัจจัยสี่นี่มันสันโดดอยู่แล้วล่ะ สํานวนภาษาไทยเรียกว่าทักโคผ่า อ, อัญญาโกนทัญยกัก็อดอยากปากแห้งอนะไรงี้ยท่านก็ฉันตามมีตามเกิดเพราะท่านมีไม่ได้มีความสุขกับสแสวงหาความสุขจากปลายลิ้นเนี่ยนะท่านไม่ได้สแสวงหาความสุขจากลิ้นเนี่ยพระอรหันต์ไม่ใช่คนที่สแสวงหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกาย ที่เรียกว่าประสาทสัมผัสแต่เป็นคนที่สแสวงหาความสุขที่เกิดจากเนกคขมมะสุขที่เกิดจากการบรรลุมรรคผลสุขที่ไม่มีโทษเนี่ยนะสุขของการเข้าชานอภินยาสมาบัตินู่นทีนี้ลูกศิษย์มันไม่ได้อะไรใช่ไห ม, มก็ต้องการสแสวงหาความสุขจากอาหารอร่อยอร่อยจีวนดีๆงามๆก็เลยอาจารย์ห้ามคบคนใดนี่แหละชอบคบแต่คนนั้นน่ะท่านก็ไปเตือนเตือนก็ไม่เชื่อให้ไม่เชื่อก็บอกเออทางใครทางมันมันก็เหาะโน่นน่ะไปอยู่ให้ช้างเลี้ยงโน่นน่ะ แต่ด้วยเหตุผลในหลายอย่างนะท่านก็เลยไปอยู่ให้ช้างเลี้ยงในสะฉัตดทานนู่นเะนี่ยนะพอปรินิพานเนินท้าสา ก, ก่ามาเก็บกระดูกให้อะไรเงี้ยท่านก็ไปอยู่ของท่านไปคือท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มักน้อยมากแล้วก็ดังเกียรตในการคลุกคลีเป็นต้นเนี่ยอย่างยิ่งเพราะฉนนั้พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องกระตุ้นให้ให้ช่วยแสดงธรรมเป็นต้นเนี่ยนะในช่วงยุคแรกๆเลยนะสมัยที่มีพระอรหันต์น้อยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะช่วยกระตุ้นให้พระอรหันต์เหล่านั้นแสดงธรรม พอมีผ้าอรหันเกิดขึ้นมามากๆแล้ววมไม่ค่อยพูดนะบอกนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างอ่ะพระรุ่นหลังๆมาก็มีแต่พระเสขะกับปุถุชนซะส่วนใหญ่พระเสขะนี่ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นกิจในการสอนไม่ใช่กิจของพระเสขะเป็นต้นเพราะสมัยนั้นเนี่ยก็หน้าที่ของผ้าอรหันทั้งหลายซะส่วนใหญ่ถ้ายิ่งศาสนาพระพุทธเจ้าที่มีพระชนมายุยืนแล้วเนี่ยาการบวชแม้กระทั่งจะใครจะเป็นอุปชาเนี่ยจะต้องเป็นพระมหาเถระเท่านั้นนะ มหาธีระสาวกผู้ใหญ่จริงๆอ่ะจึงจะได้เป็นอุปชาเป็นต้นเนี่ยบางยุคเนี่ยสมัยที่ศาสนาพระพุทธเจ้ามีพระชนยืนๆเนี่ยมันการเผยแพร่ของในยุคนั้นก็มีประโยชน์มีคุณแก่ ส, สรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้ทีนี้ระหว่างที่พระพุทธเจ้าใช้ให้พระพิสุทั้งหลายเนี่ยไปประกาศอริยสัจธรรมคั้งนั้นมารผู้มีใจบาปก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่า ท่านเป็นผู้ อ, อันบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ผูกพันไว้แล้วท่านเป็นผู้อันเครื่องผูกใหญ่รัดรึงเอาไว้แล้วแน่สมณะท่านจะไม่พ้นเราโอ้ยท่านไม่ได้พ้นอะไรจริงๆเราบ่วงคล้องไว้เต็มหัวไปหมดเลยแล้เหมือนกันนะะพระองค์ก็ตรัสต่อว่าเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เราเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกใหญ่ดูก่อนมารท่านถูกเรากำจัดเสียแล้ว มางก็กราบทูลว่าบ่วงนี้มันเที่ยวไปในอากาศได้นะเป็นของมีอยู่ในจิตสัญจรอยู่เราจะผูกรัดท่านด้วยบ่วงนั้นแนสมณะท่านจะไปไม่พ้นเราจริงเขาหาช่องนะพระพุทธเจ้าถ้าอากุศลวิตตกเกิดมาหน่อยเดียวเนี่ยท่านจะท่านจะหาเรื่องเลยแหละ ติดตามตลอดเลยนะถ้าลองคิดไม่ดีเลยลองสมมติถ้าพระพุทธเจ้าลองคิดว่าเออนะเราสามารถครองเรือนได้ไหมแค่นี้แหละบอกเออได้ได้ได้สบายมากเราจะยกย่องสรรเสริญเนี่ยนะท่านเนี่ยเก่งมากอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะเนรมิตภูเขาให้เป็นทองทั้งลูกก็ได้ท่านโอ้ทนท่านเราทำได้หมดนะนะคือขอให้พระพุทธเจ้าคิดอะไรที่มันคล้ายๆจะได้ช่องเนี่ยเขาจะเข้าแทรกทันทีเพราะนั้นั่นคือลักษณะของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าโอ้เนี่ย บ่วงอันนี้มันเที่ยวไปในอากาศแล้วมันอยู่ในใจนะบ่วงอันนี้เนี่ยท่านไม่พ้นรคพระ อ, องค์ก็ตอบว่าเราปราศจากความพอใจในอารมณ์เหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะอันเป็นที่รื่นรมใจดูก่อนมารท่านถูกเรากำจัดเสียจแล้วก็พระ อ, องค์ไม่มีฉันทราค่าในอารมณ์แล้วท่านจะเอาบ่วงอะไรมาผูกเราเพราะฉะนั้นท่านถูกกำจัดเรียบร้อยแล้วเพราะเราไม่มีฉันทราค่าที่เป็นบ่วงในอารมณ์ทั้งปวงมารผู้มีบาปก็รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจรู้จักเราแล้วก็ ว่าพระสุคตรู้จักเราอย่างนี้ก็เป็นทุกข์เสียใจหายไปในที่นั้นแหละเขาเสียใจมากเลยนะว่าโอ้พระพุทธเจ้ารู้จักเขาแล้วทีนี้โดยสมัยนั้นพิกษุทั้งหลายก็พากุรบุตรผู้มุ่งบรรพชามุ่งอุปสมบทมาจากทีต่ต่างๆมาจากชนบทต่างๆด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะให้พวกเขาบรรพชาและอุปสมบทเพราะเหตุนั้นพวกพิสุ ทั้งกุลบุตรผู้มุ่งบรประชาและกุลบุตรผู้มุ่งอุปสมบทก็ย่อมลำบากเพราะว่าทุกคนไปสอนจนคนเขาเห็นด้วยในข้อปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อกําหนดรู้อริยสัจท่านเหล่านั้นก็อยากบวชเมื่ออยากบวชก็ทั้งอาจารย์ทั้งอุปชาเนี่ยก็พาผ้าอาหารหเหล่านั้นก็ต้องคอยพากุลบุตรเป็นต้นเนี่ยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ลําบากมากเนี่ยนะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่สงัดเหล็กเร้นอยู่มีพระหฤทยัยปริวิตกขึ้นอย่างนี้ว่าบัดนี้ ภิกษุทั้งหลายพากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาอุปสมบทมาจากทิศต่างๆจากชนบ ط, ทนบต่างๆด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบทในเพราะเหตุนั้นทั้งพวกภิกษุทั้งกุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและอุปสมบทก็ le, ลำบากถ้าฉะนั้นเราเพึงอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่นแหละจงให้กุลบุต le, บรทั้งหลายบรรพชาอุปสมบทในทิศนั้น ในชนบทนั้นนนั้นเธอเสร็จแล้วพระองค์ก็มารับสั่งทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพวกเธอพึงให้กุลบดบรรประชาอุปสมบทอย่างนี้ว่าชั้นแรกนะวิธีการอุปสมบทว่าชั้นแรกพวกเธอพึงให้กุลบุตรผู้มุ่งบรรประชาอุปสมบทปลงผมและหนวดให้ครองผ้ากาสาวพัดให้ ทำผ้าอุตราสงเฉียงบากราบเทา้าภิกษุทั้งหลายนั่งกระโยงประคองอัญชลีแล้วก็สั่งว่าเธอจงว่าอย่างนี้เอวังวะเทหิเธอจงพูดอย่างนี้แล้วก็ให้สารณคมดังนี้ว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเขาเรียกว่าตามทีระคำทีละคำเนี่ยนะข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง น, น, นะนะก็คือพุทธังสารนังฆะฉามีธรรมังสารนังฆะฉามีสังฆั ง, งสารนังฆะฉามีทุติยัมปิตติยัมปินั่นแหละก็คือวิธีการบวชของสมัยก่อนแล้วเนี่ย น, นะเป็นเขาเรียกว่าอุปสมบทด้วยไตรสารณคม ตอนหลังก็เพิ่มตอนที่ราธะมาบวชก็ให้เลิกบวชแบบใจสาธาคมใจสาธาคมนี่เป็นวิธีการบวชสัมมณีนีนนะสมัยใหม่เนี่ยสาธาคมก็เป็นวิธีการบวชสั ม, มเณีอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับอุปสมบทสักเล็กน้อยเนี่ยนะเดี๋ยวลุงเรืองก็จะบวชละอ่านให้ฟังกันหน่อยก็บอกว่า ภิกษุทั้งหลายคนที่ถูกอาพาธห้าอย่างเบียดเบียนอันท่านทั้งหลายไม่ควรบวชให้ดังนี้จนถึงอย่างนี้ว่าคนตาบอดหรือคนใบ้คนหนว่ท่านทั้งหลายก็ไม่ควรบวชให้แล้วก็เว้นจากพวกที่บรญประชาโทษทั้งหลายหรือผู้ที่ผู้ที่จะบวชนั้นจะต้องอันมารดาและบิดาอนุญาตแล้วลักษณะแห่งการอนุญาตซึ่งบุคคลผู้สมควรนั้นเดี๋ยวจกอธิบายข้างหน้าต่อไปโนู้นอย่างที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตอนัน ท่านทั้งหลายไม่ควรให้บวชภิกษุใดพึงให้บวชภิกษุนั้นต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่บวชไม่ขึ้นนะบวชขึ้นแต่ว่าอุปชาเนี่ยเป็นอาบัตเนี่ยนะอุปชาเนี่ยมีโทษแต่ก็ไม่ใช่ว่าแสดงคืนไม่ได้นะเหมือนกับว่าถ้าอุปชาใดาให้บวชอุปชานั้นถูกปรับเย่างนี้นะแต่ว่าถูกปรับอนะเป็นอาบัติก็เหมือนก็เรียกว่าถูกปรับนั่นแหละก็แหละเมื่อให้กุลบตรผู้เว้นจากบรรประชาโทษที่มา ร, รดาบิดาอนุญาตแล้วอย่างนี้ ถ้าว่ากุลบุตรนั้นยังไม่ได้ปรองผมและพิสูจ์แม้เราเอินมีอยู่ในสีมาเดียวกันก็บอกพันธุกรรมเพื่อประโยชน์แก่การปรงผมการบอกพันตุกรรมนั้นข้าพเจ้าจักพันน า, นานในสูตรนี้ว่าพิสูจนทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุบอกเล่าการส่์เพื่อทําพันธุกรรมถ้าไม่มีโอกาสก็พึงให้บวชเองถ้าต้องขวนขวายด้วยกิจมีอุเทศปริปุฉาเป็นต้นไม่ได้โอกาสก็รับสั่งพิสูกรูปหนึ่งว่าคุณจงให้กุลบุตรนี้บวช ถ้าภิกษุน่มซึ่งอุปชายังไม่ได้สั่งเลยแต่เธอได้บวชแทนอุปชาการทําอย่างนั้นน่ะสมควรถ้าภิกษุหนุ่มไม่มีอุปชาพึงบอกสัมมนเนนก็ได้ว่าเธอจงนําผู้นี้ไปยังขันธสีมาให้ปลงผมให้นุ่งห่มผ้ากาสาวะเสร็จแล้วจึงมาสาระอุปชาพึงให้เองนะกุ่บตรนั้นเป็นอันภิกษุนั่นเองให้บวชแล้วด้วยประการชนี้จริงอยู่คนอื่นจากภิกษุไม่ได้เพื่อจะให้บุรุษบวช คนอื่นจากภิกษุณีไม่ได้เพื่อจะให้มาตุกคามบวชเหมือนกันไหมคะว่าภิกษุสามารถบวชให้ผู้ชายได้และภิกษุณีเท่านั้นจึงจะบวชให้ผู้หญิงได้ส่วนสัมมาเนนหรือสัมมเนรีได้เพื่อจะให้ผ้ากาสายะตามคําสั่งผันสัมมาเนนเนี่ยสัมมาเนนจะไปบวชให้ผู้ชายผู้หญิงอะไรเป็นต้นไม่ได้เพียงแต่ว่ายื่นผ้ายื่นอะไรให้ตามที่อาจารย์เป็นต้นสั่งทําได้ การปลงผมผู้ใดผู้หนึ่งทำแล้วก็เป็นอันทำแล้วด้วยดีโกนผมเนี่ยใครก็โกนให้ได้นะก็ถ้าว่ากุลบุตรเป็นผู้มีรูปสมควรมีกุศลกรรมเป็นเหตุเป็นคนมีชื่อเสียงมียศอุปชาแม้ทำโอกาสแล้วก็ควรให้บวชเองแท้ทั้งไม่ควรจะปล่อยว่าจงถือเอาดินเหนียวกำมือหนึ่งอาบน้ำแล้วชุบผมแล้วก็นามาเพราะว่าอุสาหะของผู้ที่ใครจะบวชเป็นของรุนแรง แต่ว่าคนอยากบวชนี่จริงๆมีความต้องการมากจริงๆนะคนจะบวชกับคนแต่งงานนี่มันพอกันเลยนหะห้ามยากพอกันไอคนที่จะบวชจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนที่ตั้งใจสูงๆเนี่ยไม่ต้องห้ามหรอกเหมือนกันลักษณะเดียวกันนั่นแหละแต่คนแต่งงานก็เหมือนกันแถวแถวบ้านเขาเล่าให้ฟังโอ้ยไม่แต่งให้มันจะเผาบ้านเลยเผาบ้านพ่อเผาบ้านแม่เลยนะะให้แต่งหรือไม่ให้แต่งเหมือนกันแล้วถ้าแต่งไปปีเดียวกว่าเนี่ยนะว่าโอ้ยอยากไปพ้นพ้นเหลือเกินมากตอนแรกกับตอนหลังไม่ได้คิดเหมือนกันแล้วนะ มันก็บอกว่าไอ้ความต้องการของผู้ที่จะบวชนี่ก็ถือรุนแรงและไอ้ไอ้ตอนบวชนี่รุนแรงฉันใดและตอนศึกมันก็ไม่ได้น้อยกันนั้นหรอกบางทีมากแต่ตอนบวชอีกด้วยซ้าไปเนี่ยนะจะตายให้ได้เลยแหละถ้าไม่ได้บวชก็งั้นทีนี้พูดถึงว่าผู้ที่มีอุตสาหะใครจะบวชเนี่ยนะถือว่าเป็นผู้ที่มีความต้องการรุนแรง แต่ภายหลังได้เห็นผ้ากาสายะเห็นมีดโกนเข้าก็จะตกใจเขานนี้ไปจากที่นั่นก็มีไอตอนแรกทาท่าอยากกะปวดจริงนะเพรเห็นผ้าย้อมน้ําฝาดแค่นั้นเราไม่อเอาแล้วเนี่ยนะนี่มันนุ่งมาหมอย่างนี้เหรอโอ้ยทำใจไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอุปชายะนั่นแหละควรนําไปยังท่าน้ําอาบน้ําให้ท้ากุลบุตรนั้นอ่ะไม่เป็นเด็กนักก็บอกว่าจงอาบเสียส่วนผมของเขาพึงถือเอาดินเหนียวสระให้เองทีเดียวก็ได้ว่าช่วยสระผมให้ด้วยเลยแหละ ฝ่ายกุลบุตรที่ยังเป็นเด็กนะนะเด็กย่อมอุปชาก็ลงน้ำขัดสีอาบน้าให้นะขัดน้ำให้เองเลยแหละถ้าว่าเขาเป็นหิดด้านหรือเป็นฝีอยู่บ้างมารดามไม่เกลียดบรฉันใดอุปชาไม่เพิงเกลียดฉันนั้นนั่นแหละเพิ่งให้อาบขัดสีตั้งแต่มือและเท้าจนถึงศีรษะเป็นอันดี ถามว่าทำไมอุปชาต้องทาขนาดนี้ตอบว่าเพราะว่าด้วยอุปการะเพียงเท่านี้กุลบุตรทั้งหลายจะเป็นผู้มีความรักมีความเคารพอย่างแรงกล้าในอาจารย์และอุปชาและจะมีความรักอย่างแรงกล้าในพระาศาสนาจะเป็นผู้ไม่หวนกลับเป็นธรรมดาวัานใจก็เรียกว่าถวายชีวิตให้าศาสนาเลยแหละท่านก็จะบรรเทาความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นเสียอยู่จนเป็นพระเถระ จะเป็นผู้ที่กระตันอยู่กระตะเวทีเพราะท่านเหล่านี้แหละต่อไปอนาคตจะคอยโปรนนิบัติเมื่ออุปชาอาจารย์แก่เท่าป่วยชราเป็นต้นเนี่ยนะในเวลาที่ให้อาบน้ําหรือในเวลาปลงผมและนวดด้วยอาการอย่างนั้นอุปชาไม่ควรพูดกับเขาว่าอย่าไปพูดนะว่าเธอเป็นคนมีชื่อเสียงมียศบัดนี้พวกฉันได้อาศัยเธอแล้วจักไม่ลําบากด้วยปัจจัยอย่าไปพูดคํานี้เด็ดขาด ถ้อยคำที่ไม่ใช่คำชักนำอย่างอื่นก็ไม่สมควรพูดเหมือนกันไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นหรอกไม่ต้องไปไปสาวไปเท้าความอะไรเรื่องอื่นให้มันวุ่นวายไปหรอกที่ถูกควรพูดแก่เขาว่าอวุโสเธอเนี่ยจงเป็นผู้ใคร่ควรวญดูให้ดีคุมสติให้ดี น, นะถ้าจะบวชแล้วก็คิดให้ดีนะตั้งสติให้ดีแล้วก็สอนตะจะปัญจกะกรรมฐานให้ผมขนเล็บฟันนังใครว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้า ผมผลเล็บฟันหนังหนังผมเล็บฟันขนผมเนี่ยนะ ก, ก็ทวนกลับไปกลับมาเมื่อบอกก็พึงชี้ให้ชัดเจนถึงข้อที่ส่วนทั้งห้า น, นั่นต้องบอกว่าผมผลเล็บฟันหนังเนี่ยไม่สะอาดอย่างไรน่าเกลียดอย่างไรปฏิกูลอย่างไรแต่และอย่างมีสีมีสันฐานมีกลิ่นมีที่อาศัยโอกาสเป็นอย่างไรเนี่ยนะก็บอกว่าข้อที่ส่วนทั้งห้านั้นไม่ใช่ผู้เป็นอยู่ไม่ใช่สัตว์ก็แปลว่า ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะนิสสตโตนิชิโวสุญโยปุโคโลโนเนี่ยนะคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละก็เป็นแต่ผมปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกาสโดยปริเชตเป็นต้นถ้าว่าในการก่อนเขาเป็นผู้เคยพิจารณาสังขารเจริญภาวนามาเป็นเหมือนฝีที่แก่เต็มที่คอยรอการบ่งด้วยน้าและเป็นเหมือนดอกประทุมที่แก่รอคอยพระอาทิตย์ขึ้น ทีนั้นเมื่อการพิจารณากรรมฐานสักว่าเขาปรารบแล้วยานก็จะบดกิเลสเพียงดังภูเขาให้แหลกไปนั่นแลย่อมเป็นไปราวกับอาวุธของพระอินทร์ทำลายแหล่งภูเขาให้แหลกละเอียดไปฉะนั้นเขาย่อมบรรลุปเป็นพระอรหันต์ในเวลาปลงผมเสร็จทีเดียวอย่างที่ได้ยินบ่อยๆว่าผู้ที่สั่งสมบุญเจริญกรรมฐานมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะ โกนผมครั้งแรกจุกแรกก็โสดาบันจุกที่สองก็เป็นพระสะกาทาคามีจุกที่สาก็เป็นอนาคามีเสร็จผมก็เป็นผ้าละหันทีเดียวเลยนะก็มีเยอะนะสมัยก่อนเนะี่ยจริงอยู่แต่แรกทีเดียวกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้สําเร็จเป็นผ้าละหันในขณะปลงผมกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดก็ได้ฟังเห็นตา น, นี้อาศัยนยะซึ่งอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรแนะนําให้เพราะอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรก็แนะนําต่จะปัญจกะกรรมฐาน แนะนำสั่งสอนผมขนเล็บฟันหนังโดยว่าเป็นของไม่สะอาดน่าเกลียดปฏิกูลว่าสีเป็นอย่างไรสันถานเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงที่อาศัยเป็นอย่างไรโอกาสเป็นอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะทัานอาจารย์ผู้เป็นกาลยานามิตรบอกกล่าวแนะนําวิธีเจริญทั้งสมถะและวิปัสนาให้ได้สําเร็จไม่ได้อาศัยหาสําเร็จไหมกรรมฐานเหล่านี้จะต้องมีอาศัยคนบอกถ้าไม่มีคนบอกแล้วจะถึงจะมีบุญมากขนาดไหนของเก่าวมาขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีใครแนะนําให้ก็ ยากอย่างที่พรหมราชนาก็ถูกว่าคนที่มีทุลีในจกักษุน้อยถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมก็เสื่อมอย่างคนที่เก่งเนี่ยนะถ้าไม่ได้รับคําสอนก็ไม่สามารถจะคิดเองได้แล้วเพราะว่าไม่ใช่วิสัยเพราะฉะนั้นอาจารย์อุปชายะควรกล่าวถ้อยคําเช่นนั้นแก่เขาถ้าจะสอนเขาก็สอนกรรมฐานเนยอย่าไปคุยเรื่องอื่นทั้งนั้นแหละอันหนึ่งเมื่อปลงผมเสร็จแล้วควรใช้ขมิ้นผงหรือกระแจะทาศีรษะแล้วก็ร่างกายกําจัดกลิ่นเครื่อหัดเสียแล้ว ให้รับผ้ากาสายะสามครั้งหรือสองครั้งหรือครั้งเดียวก็ได้ถ้าว่าอาจารย์หรืออุปชาจะไม่มอบให้ในมือเขาก็จะนุ่งห่มให้เองทีเดียวก็สมควรก็ว่าไปช่วยนุ่งผ้าให้ลูกศิษย์เลยแหละบางทนตอนแรกนุ่งไม่เป็นใช่ไหม ก็ถ้าว่าจะสั่งคนอื่นเป็นภิกษุหนุ่มก็ตามสัมมาเนนก็ตามอุบาสกก็ตามว่าผู้มีอายุท่านทั้งหลายจงถือเอาผ้ากาสายะเหล่านี้นุ่งห่มให้ท่านผู้นี้หรือจะสั่งกลุ่บุตรนั่นแหละว่าเธอจงถือเอาผ้ากาสายะเหล่านี้ไปนุ่งไปห่มควรทุกอย่างจริงอยู่ผ้ากาสายะนั้นทั้งหมดอันภิกษุนั้นเทียวให้แล้วนะเขบอกว่าการบวชนี่นะต้องเป็นอุปชาอาจารย์เนี่ยมอบผ้าให้นะที่จริงก็กลุ่บุตรไปหาผ้ามาก่อนนะผ้ามาถวายอาจารย์นะอาจารย์ก็ ผูมอบผ้าคืออีกครั้งหนึ่งเขานุ่งหรือหม่มนุ่งห่มเศษอันใดก็ไม่ได้สั่งเนี่ยนะเพื่อเปื้อกนุ่งหรือเปลือกผ้าห่มนั้นเสียแล้วให้ใหม่แปลว่าต้องต้องให้ให้ถูกต้องนะทำไม่ใช่เป็นคนสั่งให้นุ่งหม่มไม่ได้ต้องเป็นสั่งเองเพราะผ้ากาสายะที่ภิกษุให้ด้วยมือของตนหรือว่าด้วยสั่งเท่านั้นจึงควรที่ภิกษุไม่ได้ให้ไม่ควรแม้ว่าผ้ากาสายะนั้นจะเป็นของเขาเองก็ต้องทําอย่างนั้น และวจะต้องกล่าวอะไรกับผ้าสายะที่มีอุปชาเป็นมูลเล่าบางทีก็อุปชาต้องหาผ้าอะไรเตรียมรอให้ผู้มาบวช ด, ด้วยซ้ําไปแล้วก็ให้ปลงผมและหนวดก่อนแล้วก็ให้นุ่งห่มผ้ากาสายะรมอุตราสง์เฉียงบ่าเนี่ยนะเสร็จแล้วก็มีวิธีการเกี่ยวกับบรรพชาอุปสมบทก็ว่าไปเสร็จแล้วก็พอให้สารณะเสร็จก็ให้แนะนําสมาทานศีลอันพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้พระพิษุผู้ไปสอนประชุมชน สอประชุมชนได้ตรัสรู้ก็แนะนําวิธีบวชให้ว่าไปบวชให้เ้านะบวช ด, ด้วยสารณคมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจําพรรษาแล้วเนี่ยนะคือออกพรรษาไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็รับสั่งพิสูุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสษุทั้งหลายเพราะทําไว้ในใจโดยเยบขายเพราะตั้งความเพียรโดยชอบโดยเยบขายเราจึงได้บรรลุอนุตตรวิมุติจึงได้ทําอนุตตราวิมุติให้แจง้งก็เพราะ ที่พระองค์บอกว่าบรรลุอนุตตราวิมุตติหรือการบรรลุที่พระองค์บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะโยนิโสมนสิการเพราะโยนิโสมัมมะปทานโยนิโสมนสิการเนี่ยพระองค์บรรลุเพราะมีการใส่ใจไว้ถูกต้องหมายว่าทุกควรใส่ใจอย่างไรพระองค์ก็ใส่ใจอย่างนั้นสมุทัยควรใส่ใจไว้อย่างไรนิโรธควรใส่ใจอย่างไรวิธีการเจริญมักควรใส่ใจไว้อย่างไรพระองค์ก็ใส่ใจไว้อย่างนั้นอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดและ ความเพียรโยนิโสสัมมาประธานเนี่ยนะเพียรโดยชอบอย่างถูกต้องและแยบคายใส่ใจถูกต้องด้วยเพียรอย่างแยบคายด้วยจึงได้บรรลุอนุตตรวิมุตติทมอนุตตระวิมุตติให้แจ้งแม้พวกเธอก็บรรลุอนุตตราวิมุตติทำอนุตตราวิมุตติให้แจ้งเพราะอะไรเพราะโยนิโสมณสิการเพราะโยนิโสสัมมประานเนี่ยนะ ก็คือเพราะโยนิสโสมนนสิการการทำไว้ในใจโดยอุบายอันเย็บคายและถูกต้องเพราะความเพียรโดยเย็บคายและ ถูกต้องจึงบรรลุเพราะว่าถ้าหากว่าคิดผิดหลักการเนี่ยบรรลุได้ไหมเป็นไปได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะมันการกําหนดรู้ทุกต้องใส่ใจในกองทุกอย่างไรก็ต้องใส่ใจอย่างนั้นสมุทัยใส่ใจในวิธีการละได้อย่างไรนิโรธใส่ใจอย่างไรจึงจะทําให้แจ้งและใส่ใจในการเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแต่ละอย่างต้องใส่ใจในลักษณะใดเป็นต้นเนี่ยการใส่ใจเหล่านั้นนั่ น, น, นแหละจึงบรรลุมรรคผลถ้าใส่ใจไม่ถูกต้องบรรลุไม่ได้ และพระองค์ก็บอกว่ายืนยันว่าพระองค์บรรลุเพราะอย่างนี้และพิสูจนเหล่านั้นก็บรุเพราะโยนิโสมณสิการโยนิโสสัมมปทานการใส่ไว้ในใจโดยเย็บคลายการใส่ใจไว้ในใจโดยถูกต้องแบบผู้ที่ปรารบความเพียนอย่างถูกต้องครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแล้วได้ทูลกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าท่านเป็นผู้อันบ่วงทั้งที่ทเป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ผูกพัน ไว้แล้วเนี่ยนะท่านเป็นผู้อันเครื่องผูกแห่งมารรัดเริงแล้วเนะี่ยสมณะท่านยังไม่พ้นเรามารก็ตามขู่ตามรังควานอยู่นั่นแหละพระองค์ก็ตอบว่าเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงของมาร ท, ทั้งที่เป็นบ่วงของทิพย์ ท, ทั้งที่เป็นบ่วงของมนุษย์เราเป็นผู้พ้นดีแล้วจากเครื่องผูกแห่งมารดูก่อนมารท่านถูกเรากำจัดเสียแล้ว มานั้นผู้มีบาปก็รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ารู้จักเราพระสุคตเจ้าทรงรู้จักเราดังนี้เป็นทุกข์เสียใจหายไปนั่นแหละมานี่แปลกนะกลัวคนอื่นก็รู้จักตัวเพราะเขาบอกว่ารู้จักตัวเป็นใครแล้วก็เห็นละครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระนครพารณสีตามพุทธภพรม์เนี่ยนะก็อยู่ในเรื่อยๆจนหลังออกพรรษาไปนะพระองค์ก็เสด็จจาริกไปโดยมัคคาอันจะไปสู่ตําบลอุรุเวลา ตำบลอุรุเวลาใช่ใกล้ๆเสนานิคมอ่ะใกล้ๆแถวๆนั่นแหละพระองค์ก็แวะจากข้างทางแล้วก็เข้าไปยังไพรสนคือป่าแห่งหนึ่งคั้นไปถึงไพรสนนั้นแล้วก็ประทับนั่งนักโคนไม้ต้นหนึ่งก็โดยสมัยนั้นสหายพัทวัคคีจำนวน30คนนนะพัทวัคคีพร้อมด้วยประชาบดีบำเรอกันอยู่ในไพรสนนะสหายคนหนึ่งไม่มีประชาบดี ก็เพื่อนสาสิบคนใช่ไหมยี่ิบเก้าคนนี่มีเมียหมดเลยอีกคนหนึ่งไม่มีเมียก็เลยสหายเหล่านั้นก็ไปจ้างหญิงแพทย์สยามมาคนหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่เขาจะได้มีคู่เหมือนชาวบ้านเขาบั่งต่อมาหญิงแพทย์สยามนั้นเมื่อสหายเหล่านั้นเผลอมัวแต่บําเรอกันอยู่ก็เลยแอบลักเครื่องประดับนี้ไปจ้างหญิงแพทย์สยามก็สมาคมคนมีฐานะใช่ไหมเผลอเรอกันก็ไม่คิดว่าใครจะลักของใครนางก็เลยฉกเอาไปหมดเลยพวกสหายนั้นก็ เมื่อจะทําการช่วยเหลือสหายเนี่ยนะครับว่าเพื่อนเนี่ยโวยถูกขโมยทรัพย์ไปแล้วเนี่ยก็เที่ยวตามหาหญิงแพทย์สยานั้นเที่ยวไปจนถึงไพรสนแห่งนั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่นะักโคลนต้นไม้ต้นหนึ่งครั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นหญิงบ้างไหมพระเจ้าข้าเห็นผู้หญิงผ่านมาทางนี้บ้างไหม องก็ย้อนถามมาดูก่อนกุมารทั้งหลายพวกเธอจะต้องการอะไรด้วยผู้หญิงเราพระเจ้าค่าพวกข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นสหายพัทวัคคีจำนวน30คนในตำบล น, นี้พร้อมด้วยประชาบดีเนี่ยนะคือพระยาเนี่ยบำเรอกันอยู่ในไพรสนแห่งนี้สหายคนหนึ่งไม่มีประชาบดีพวกข้าพระเจ้าจึงได้นำหญิงแพทสยามมาเพื่อประโยชน์แก่เขาต่อมาหญิงแพทสยามนั้นเมื่อพวกข้าพระเจ้าเผลอ นะมัวแต่บำเรอกันอยู่ก็ได้ลักเครื่องประดับหนีไปเพราะเหตุนั้นพวกข้าพระองค์ผู้เป็นสหายกันเมื่อจะทำการช่วยเหลือสหายจึงเที่ยวตามหาหญิงนั้นมาถึงไทรสนแห่งนี้พระเจ้าค้าเนี่ยน ะ, ะแสดงว่าหลายตังเลยเลยนะพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนกุมารทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไข้อที่พวกเธอสแสวงหาหญิงหรือสแสวงหาตัวเองนั้นอะอย่างไหนเป็นความดีแก่พวกเธอเล่า ตามหาผู้หญิงที่หายไปที่พร้อมกับเครื่องประดับประสแสหาตัวเองอะไรควรหากกันข้อที่พวกข้าพระองค์สแสวงหาตนเองนั่นแหลเป็นความดีของพวกข้าพระเจ้าพระเจ้าข้าเนี่ยนะของเราเนี่ยได้ยินคําสอนมาแล้วบ้างหรอกจิงกล้าพูดอย่างนี้นะแต่ก่อ น, อนบอกโอ้ยหาอย่างอื่นให้พบก่อนนะนะธรรมะค่อยว่าอีกทีก็ได้ตัวเองยังไม่จําเป็นนะนะหาให้ได้เงินทองก่อนตัวจะไปไหนใช่ไหมถ้าเงินทองถ้าหาไม่พบเดี๋ยวมันจะหายไปหมดเลยเนะี่ยต้องหาให้ได้อย่างนั้นก่อน แล้วค่อยหาตัวเองทีหลังว่างั้นแก่ๆ ก, ก่อนก็ได้เพรางั้นไม่รู้จะขนาดไหนก็ไม่ทราบพระองค์ก็บอกว่าดูกรกุมานทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่พวกเธอพวกสหายพัทวคีเหล่านั้นต่างรับพุทธานัตถพ์ก็คือรับคําสั่งจากพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นพระเจ้าข่าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงอนุปพิกถาแก่พวกเขาประกาศทานกาถาศีลกถาศักขะคถ า, าโทษความต่ำสามความเศร้าหมองของตามทั้งหลายและอนิสง์แห่งเนกขมมะเมื่อพระองค์ทรงทราบ ว, ว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อน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 ดุดผ้าที่สะอาดปราศจากธุลีควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นพวกเขาได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรมะอย่างเจ็มแจ้งแล้วมีธรรมะอันยังลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสยัยถึงความเป็นผู้แกล้งไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระาศาสดาได้กราบทูลคานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าวา่า พระเจ้าค่าพวกข้าพระองค์พึงได้บรระชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วก็ตรัสต่อไปว่าธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเธอพระวาจานั่นแลเป็นคำอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นก็บอกว่าใน30สิบรูปเนี่ยนะ รูปสุดท้ายเนี่ยเป็นศดาบันหัวหน้าเป็นอนาคา ม, มีก็ระหว่างโสดาบันถึงอนาคา ม, มีเป็นพะเสขะทั้งหมดแต่ว่าไม่มีใครเป็นระอรหันทีนี้พอให้ท่านเหล่านั้นบวชเสร็จก็ส่งไปสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็ส่งไปโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายส่วนพระองค์เองก็เสด็จไปจนถึงตำบนอุรุเวลาเสนานิคมก็ตำบนนี้ก็คงตอนบ่ายนะ